พูทุกวันเรื่อยๆเพื่อไม่ให้มันนวดพูดแล้วไม่พอเอาไปทำให้มันมีให้มีบุญคือให้มีใจดีให้ละบาปคือละความใจร้ายทำหน่านี้ทุกวันให้มีบาปเหมือนกันชีวิตของคนเหล่านี้ให้มีบุญให้มีสวรรค์มีนิพพานเดชะฉันจดเดชฉันไม่มีอย่างนี้เขาก็เป็นอันเดียวเขาไม่ให้รู้จักบุญจักบาป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 ไม่เสียเงินจักบ่รดได้ปูนหวนกันให้อภัยไม่ถือโทษผรกเกลืองผิดแล้วแล้วไปยาผระทําผิดซ้ำให้ประกันเรื่องใได้เอามาคิดคิดบ้านถตอมันจะพิจารณ์ความผิดของคนอื่นเอาความทุกข์ของคนอื่นที่ทํากับเราปล่อยวางไปไม่เป็นไรู้จากให้อภัยหรือ ว, ว่าทาอาภัยทานได้ไม่ต้องเสียเงินหัวฐานก็บอกกันให้ เห็นทิศเห็นทางกําลังหลงกําลังทุกข์กำลังโกรธก็ชวนกันให้เข้าสู่ทางมันทางทุกข์ทางโกรธทางวิตกของมวลสมองมันเป็นทางไปไม่พ้นไม่ถึงไหนทางตัน่างการปล่อยกันวางการเมตตากาุณาเป็นทางผ่านผ่านไปจนถึงมากถึงผลเราเพียรพยายามสร้างจากจนเรื่องทางถ้ามันหลงก่อหาความรู้ ความหลงนั้นรวมรู้ควมปัญญามเกิดจากตัวหลงรวมรู้เกิดจากตัวหลงควมทุกเกิดจากตัวหลงปัญญาเกิดจากปัญหาหาได้มายากตรงไหนมีปัญหามีปัญญาที่นั่นตรงไหนมีทุกตรงนั่นมีปัญญาอยู่ที่นั่นอย่าให้หลงเป็นความหลงอย่าให้ทุกเป็นความทุกอย่าให้โกรธเป็นความโกรธ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 ปายมันจะลากดินแล้วก็ไม่ไปข้ามมันเอาไม่ไปข้ามไว้ลองดูจริงหนึ่งไปแนวเดียวกันไม่ต้องเอาไม้ไปข้ามไว้ศึกษาธรรมชาติลองดูริงที่มัดเดบไปเอาไม้ข้ามไว้นั้นพอปวดไม้ออกลากลงดินเลยจริงที่ไม่ต้องข้ามมันแล้วก็ขึ้นด้วยตัวของมันเองแข็งขึ้นไปปายมันก็สูงขึ้นไปมืดึงกันขึ้นไป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 ประสบการณ์มันต่างกันถ้าความโกรธพอเห็นหน้ากันแล้วก็พอช่วยกันได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของเราน่มันมองไม่เห็นกันเราก็ต้องรู้จักช่วยกันถ้าไม่รู้จักช่วยยังอย่าจนอยู่คนเดียวอย่าทุกคนเดียวบอกกันด้วยสามีพัญญากันเนี่ยก็บอกกันด้วยสามีพัญญาคู่หนึ่งมาเล่าให้เราฟังสอนกันมาถ่านในห้องนอนผู้สามีก็มาปฏิบัติธรรม เดินพันยาห่วงลูกไปไหนไม่ได้จะนอนสามีก็นอนหลับเลยนอนด้วยกันแต่ามาล่าให้ปังก็ปลุกกันขึ้นมาบอกว่าพ่อพอนอนก็หลับเลยเนี่ยทําไมไม่ห่วงลูกห่วงเต้าเหรอมาปลุกสามีขึ้นมาสามีก็ตื่นขึ้นมานอนก็หลับเลยเนี่ยพันยาพูดว่าคิดห่วงลูกห่วงเต้ากันนะ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 อาอยู่คิดซะมันก็ไม่ได้เราก็จะมีวิธีนะทําความรู้สึกไปทำความรู้สึกว่าสอนตัวเองแม้แต่ผู้เจ้าต้องสอนคนไม่ได้ก็มีเยอะแยะไปถ้าเราไม่สอนตัวเราเอาสิ่งที่ผู้เจ้าสอนมาไว้ในเราอย่างผู้เจ้าว่ามีคุณผู้เจ้าอย่างไรบ้างคุณของผู้เจ้ามีอยู่สี่อย่างคือเมตตาที่คุณ